ขอกราบสวัสดีท่านผู้รับฟังรายการเสียงธรรมจากมหาวิทยาลัยศรีปรทุมทุกท่านครับวันนี้วันจันทร์ที่ส6ตุลาคมพุทธศักราชสองพรารายการเสียงธรรมจากมหาวิทยาลัยศรีปรทุมจะเป็นรายการสดครับโดยมีกระผมผู้ช่วยศาสตราจารย์กิติภูมิมีประดิษฐ์ผู้อำนวยการสำนักวิชาการศึกษาทั่วไปมหาวิทยาลัยศรีปรทุมเป็นผู้ดำเนินรายการครับ เช่นเคยครับวันนี้ทางรายการกาบพัฒนาพระเดศประคุณพระเทศบีโลกวัดบวรเวชวิหารเป็นกู้คนตอบปัญหาธรรมะครับหมายโทรศัพท์ของทางรายการคือ022413315 022413315ครับขณะนี้สายแรกมารออยู่เลยนะครับสวัสดีครับผู้ฟังรายการครับสวัสดีครับคุณครับตอนรับครับ่ครับสวัสดีับอยากจะถามปัญหาเลยครับถามคัาสีค่าครับครับผมอยากจะถามว่า เออผมมือพระหพ่อตุทนเขียวมีอขสไปค่านิ้วแล้วก็ปู่ทวดเป็นโลหะทองเหลืองสามนิ้วภา<ะ>พองค์นี้ผมจะบูชาตลอดแล้ววันหนึ่งก็ผมก็ปฏิบัติธรรมจากอนาปานระะตัติก็มาเป็นลมจิทฐานก็นอนอยู่นล้วแล้วนตกเ ป, ปอยก็มีพระไม่รู้สมาธิขั้นไหนอยากจะถามว่าหลวงพ่อบ่าสมาธิขั้นไหนนะครับคห น, นึง่ง เอาพระมามีพทธเจ้าใส่หัวแล้วก็ผู้ช่วยทอนใส่ระหว่างแล้าอกโคก็ดูกนะฮะในในตลังแล้วก็ท้ายสุดคือมุวปเทวดอโอเลินหัใจโอ๊ะปปปปปมันเก็ดมากผมต ดงครั้งแรกอยู่เอลมหาอาจารย์ที่วัดบรรเทาพระสมภารทองครก็กลับไปหายรถคืนหายโดยทีต้องมาบวชอยาจะถามว่ามันเป็นสมาชิขั้นไหนครับครับผมมีมีมีข้อเดียวนะครับครับครับรับฟังสีทคิวนะครับโรงแรมแพรบิทิกาครับสวีทคิครับครับครับผมมันเป็นปรากฏการณ์ของสมาธิแปลกใหม่ๆเป็นเรื่องเฉพาะบารมีเฉพาะตัวคนคนนั้นนั่นนะครับ ก็เลยนิมิต ท, ที่เกิดขึ้นในสมาธินี่มันมันที่จริงมันมันเรื่องเฉพาะตัวคนณที่คุสร้างบารมีมาเฉพาะทางนะฮะคืออธิบายไม่ได้แต่สรุปว่าก็คือนั่นก็คือเรื่องเรื่องเรื่องนิมิต ท, ที่แสดงว่าจิตมันเดินมาถูกทางอะออแล้วก็บางทีก็ต้องผ่านวิกฤตอาจจะหายใจไม่ออกอาจจะเหงื่อแตกอาจจะปวดร้าวไปหมดอะไรแต่อะไรเนี่ยเหงื่เลือดออกอะไรแต่ออไเช่ามานเนี่ยครับ เอมัน ม, น, อ น, มนมันถูกทดสอบขันธามันทดสอบเราอสิมาลก็ทดสอบเอากันธามานก่อนนะคือคือสรุปว่าเดินมันถูกทางและกันอ๋อครับผมขอบคุณครั บ, ร บ, รบทุกคนใจกรับสาที่สองครับสวัสดีครับอ่จเจริญพรเจริญอยากรอถามว่าอจะะาจาลย์เล่ยกับนางวชิราที่เขานำมางานคกันที่ไหน อยากจะรู้ความเป็นมาน่ะคือบดน้อยยังอันเนีม่เจออะไรแน่ะนะครับครับครับมาดนสการ์ครับท่านครับรับฟังกางวิทยุนะครับครับผม จระเข้กันครัมันเป็นประเพณีประเพณีท้องฉิ่นนะฮะคือธ <ke pt i> งจระเข้มันรู้สึกมันเกี่ยวบเกี่ยวอะไรก็เรื่องที่มันมันประลำปลานะครับใ <ke pt i> นเรื่องเล่าประลำปลาไว้ทํามองว่าจระเข้ได้ช่วยอะไรเอาไว้แล้วก็อฝากให้มีของให้ให <ke pt i> สัญลักษณ <ke pt i> ์ให้มีธงเป็นสัญลักษณ์กัด้วยนะนางสวไยนางไอนางเงือกก็มี <ke pt i> ลักษณะอย่างนั้นเนี่ยอ๋อคะรับผมก็ก็เป็นตาตำนานปลาลำปลาเป็นความเชื่อเฉพาะท้องฉิ่นครับ งั้นเราจะเอานิยายนี่ไม่ก็ได้ล่ะเรื่องของความเชื่อของท้องถิ่นแต่ว่ามันก็เชื่ออย่างงั้นก็ก็เรื่องของเขาครั บ, รบขอบคุณครับที่คนแจ้งกับสายที่สามมารออยู่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอชมเชยท่านผู้รับโทรศัพท์นะครับท่านรับได้นิ่มนวลมากนะฮะครับ แล้วก็ผมมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องกรรมครับครับผมคือมันเกิดเมื่อเช้านี้เองนะฮะเป็นญาติของผมเองครับเขาอยู่ที่โรงพยาบาลศรีธัญญานับเป็นสิบปีนนะฮะจู่ๆเจ้าหน้าที่เก็เอาไปส่งที่บ้านซึ่งแม่ก็อาอยุอยู่สอยู่ตลาดสีดแดงนะแม่ก็อาอยุตั้งเจ็ดถึเก้าแล้วแล้วก็มีลูกทำงานอีกสองคนอยู่คนสองสามคนเนี้ยก็ลําบากมากเสร็จแล้วเจ้าหน้าที่ที่ให้ไปก็ไม่ได้อธิบายเหตุผลว่าทาไมต้องมาส่งเพราะว่ารัฐบาลท่านไรเียงดูดีอยู่แล้วครับว่าปรากฏว่า อ่าเมื่อคืนนี้ประมาณเอาไปไปส่งที่บ้านอาทิตย์ที่แล้วนะฮ ะ, ะเมื่อคืนนี้ประมาณตีสี่ขณะที่แม่เขานอนอยู่เขาขึ้นไปชั้นบนนะฮะแล้วกระโดดตึกลงมาครับ อ, อยู่ที่โรงพยาบาลอ่าราชบิษฐิ์ครับอยู่ห้องไอซู ค, ครับทีนี้ผมอยากจะถามว่าทําไมต้งทำมาอย่างนั้นเขาก็มีประวัติกระโดดตึกที่โรงพยาบาลอยู่แล้วหลายครั้งแล้วอาการสาหัสทั้งนั้นทําไมต้องปัดไปให้ ให้ให้กับทางมารดานาเขาซึ่งอายุเกือบแปดปีแล้วเขามีกรรมอะไรครับผมอยากจะเรียนถามที่มาจะมีปัญหาเกี่ยวกับโรงยาบาลของประมาณในฐานะที่รัฐบาลใหม่ฐานะที่ตั้น้ได้ของคนที่สมคบมาอยู่หรือเปล่าผมก็กล่าวกาวก่อนมาต่อไปครับแล้วฟังจากพิชยุทธ์นะครับขอบพระคุณครับคือว่าคนสติเขาไม่ปกติเถ้าจะถือว่าเป็นกรรมก็หมายความว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐเนี่ยมันก็สร้างขึ้นครับผมเพราะว่าคนอยู่ในสภาพอย่างนั้นแล้วให้คนแก่อายุขนาดนั้นไปดูแลในบน ไปไม่ได้อ mm hmm. คือที่จริงก็ต้องต้องไปคุยกับโรงพยาบาลนั่นแหละครับผ ม, มก็ไม่ถูกต้องหรอกวิธีการในงั้นในส่วนาจะเป็นกรรมอะไรนี่มันอูมันพูดยากครับแต่ว่ากรรมปัจจุบันเราเห็นชัดเจนว่าคือความบกพร่องของราชการครที่ปล่อยให้คนซึ่งยังไม่ปกติไปอยู่กับคนแก่ครับซึ่งช่วยตัวเองยังไม่เคยรอดอยู่เนี่ยฮมันก็รู้ว่าเธอคือกระโดด มัก็อาจจะกระโดดอีกมันน่าจะคิดว่าอย่างงั้นแน่นะครับเป็นปัญหาคนนี่ยนะเป็นปัญหาคนก็ต้องต้องไปไปต่อสู้กันทางโรงพยาบาลนั่นแหละต้องเรียกร้องสิทธิบ้างนะฮะครับคือคือถ้าไม่งั้นมันง่ายอะไรเกินไปครับครับขอบคุณครับทุกคนี่จ่ายครับสายที่สี่ครับสวัสดีครับคลยพ ชื่ออภิใจพรอมิตรขาก็ติดใจเขาใจเหมือนกันอ่าแล้วเข้าใจได้จับแล้วฟังจำยืนนะครับธรรมรัษกาจิตนะครับคือมันเป็นสิทธิที่ยกเว้นให้สําหรับผู้ที่ได้กางกระถินซึ่งที่จริงก็ไม่ใช่เรื่องมากมายไรหลอกหมายความว่าเช่นไปไหนไม่ต้องบอกลาในบางกรณีที่เป็นกิจดวงแล้วก็สามารถฉันอาหารเป็นหมู่ได้ สามารถจะรับจีวรเหลือเฟือก็เรียกอติเรกจีวรไว้ได้โดยไม่ต้องวิกับหรือไม่ต้องอธิษฐานตลอดระยะเวลาหนึ่งเดือนนะแต่ทีนี้พอการกระชินเนี่ยมันมันก็ไปเลยหายไปถึงกลางเดือนสี่นั่นครับนะแล้วก็เป็นเป็นวินนยระดับปัจจิตีะรนะ ร, ระดับปัจจิตีแต่นั่นเองก็ก็ก เราก็ไม่เคยสนใจอะไรนะแลก็เรายังปฏิบัติอยู่เราก็ไม่ได้ใช้สิทธิอะไรครับเจ้าคุณเับมีแฝงรายการถามมาว่าสมมติถ้าวัดที่ถูกน้ําท่วมปัจจุบันเนี่ยนะฮะเราไม่สามารถทอกรถิ่นได้ทันเวลาเลยกําหนดไปนี้ทํำยังไงดีกันคุณคืออย่าไปสนใจกระินมันไม่มีอะไร呀กระถิ่นเนี่ยกระิ่นมันเป็นเป็นพิธีกรรมพิเศษอย่างหนึ่งซึ่งเดิมทีเดียวในต้องการแก้ปัญหาพระซึ่งขาดแคลนจีวร แล้วมาเองยังไม่เนีมองมองว่าพราะจีบอนที่ถวายไม่จริงก็มีฝืนเดียวนะแล้วพระทั้งวัดเนี่ยมันจะแก้ปัญหาพระหรานะไม่ได้เพราะฉั้นละก็อันิสงที่ว่าเนี่ยหมายความถ้าโยมถวายเนี่ยคุณก็มีสิทธิ์เก็บไว้ได้ออตลอดระยะเวลาแล้วไม่ต้อง อ, อไม่ต้องอธิษฐานครับหรือไม่ต้องวิกับตามพระวินัยแต่ในขณะเดียวกันเมื่อคุณจะใช้คุณก็ต้องวิกับถ้าไม่ใช้น่ะ หมายความมาเก็บไปได้ครับแต่ว่าถ้าใช้ก็ต้องต้องประกอบให้ถูกวินัยกรรมครับก็ก็รับก็รับไม่รับก็ไม่ต้องรับเลยไม่เป็นไรคือคือมันมันเป็นเรื่องอีกสมัยหนึ่งครับผแต่มาว่าเวลานี้เราไปเล่นเรื่องเงินมากเกินไปเงินที่บำรุงคือคือเราไม่ค่อยติดใจเรื่องกรถินที่จริงกระถินนั้นมันเลือนหายไปเยอะแล้วเช่นสมมติว่าสมพานไปบอกว่าโยมยังไม่มีใครมาจองกรินเลย ก็ถือว่าเรียบเกียงอะะถ้าถึงถึนโยมคนนี้ไปทอดให้ก็ถือว่าเป็นโมฆะไม่เป็นกนะินนะครับท่านครับโอ้โหคือกะฎีนี่เป็นงานที่ต้องการพิสูจน์เอามาว่าพิสูจน์ความสามัคคีของพระนั้นประการหนึ่งครับแล้วต้องการให้พระควบคุมความโลภของตัวเองให้ได้โอ้ครับท่านครับ มันเป็นวิธีวิธีการทางพระวินัยมายังคุยเมื่อวานเนี่ยมาเกิด น, นั่งรับกตินนะนะตอนนั่งรอเราก็คุยกันเบาเอิ่มที่จริงมันมันเนื้อหาสาระเนี่ยมันเน้นที่การกํากับควบคุมความอยากแล้วก็พิสูจ์สามกิจธรรมของพระที่อยู่กันจำบรรษาตลอดพรรษานี่เธอจะยังเธอทะเลาะกันหรือเปล่าถ้าทะเลาะเนี่ยไม่จะยอมเอาปรโรให้จ <c oughs> ีวรแล้วก็จีวอนต้องทาให้เสร็จในวันนั้นด้วย British ถ, ถ้าเธอทะเลาะ ก, กันจีวอไม่เสร็จ่ะอแล้วมาว่ามันเป็นบทพิสูจน์มากกว่าอโอ้ถ้าเราดูเรารุงรังนะเมื่อคือนเหมันเสร็จเกือบชื่นคืนเนดะวัตว <nên> อนย็บด้วยมือนะฮะจีวอนที่วอนในวัดวอนย็บด้วยมือเย็บย่าผ้าขาวเลยครับท่านครับแล้วก็มายอมใช่ย็บมายอมมันทำกว่าจะเสร็จเหนียวเลดึกทุกทีอ่ะคขอบคุณท่านจุกจ่ายครับสายที่ห้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับ สวัสดีท<ด>ุกฝ่ายรายการครับเชิญสอบถามได้เลยครับ อ, า จ, อาจารย์เจรินพรอาจารย์ผู้ดำเนินรายการแล้วก็ในกาลนักสการ์พระเดชพระกลุ่นครับผมกับนักสกา ร, <อ>าร์จะสอบถามว่าเมื่อวันก่อนที่วัดของกระผมรับกรถินนะฮะทีนี้ก็ทานในวันก็คุ่ยกันว่าถ้าเกิดอพระองค์ที่เป็นผู้กรองกระถินเนี่ยเออ่จะต้องใช้ ไช้ผ้าที่ได้ได้การกัปตินี้ตลอดทั้งปีแล้วก็ไปที่ไหนไม่ได้อะไรกัาเนี่ยเงผมก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะมันไม่น่าจะมีเนื้อหาอย่างนั้นน่ากัปตินก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นการเข้าใจผิดอะไรสักอย่างก็เลยเล่นถามครับว่าจะเป็นอย่างที่พระในวัดท่านบอกหรือเปล่าไม่แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คืออยากจะสอบถามว่าก้าวกระผมเห็นญาติโยมบางท่านในเวลาตรวจน้ํานี่จะ เอานิ้วไปรองน้ําก็จะได้รู้ว่ามันมีเพณีแบบนี้มาตั้งแต่เมื่อไหรอะครับผมแล้วก็จะที่ไหนให้เขาเข้าใจได้ยังไงว่าไม่โวรไปทําอย่างนั้นนะฮะขอฟังคำวินัยขการนาสการประเด็มพุทครับครับการนาสการครับท่านครับสวัสดีครับคือประการแรกไม่มีประเด็นอะไรเลยนะคือหมายความว่าออกกรสินแล้วท่านจะไปไหนก็ไปเถอดก็ไม่ได้ว่าอะไรแต่ว่า ในบางกรณีนั้นถ้าตั้งใจจะไปขาดเลยเขาถือว่ากระถินมันดอก<อ>ท่านก็ไม่รับไปสมกระถินเดี๋นี้ถ้าไปธุระไปไหนก็ไปเถอะก็ไม่ได้ว่าอะไรไปอยู่เป็นเดือนแต่ยังใจก็ยังอยู่กับวัดนั้นอยู่อ่ะยังสังกัดวัดนั้นอยู่ก็ไม่มีปัญหาอะไรตรนี้ส่วนนั้นมันเป็นแบบเทนสองบาทเฉยๆท่น คือเมื่อก่อนเนี่ยก็กรวดน้ำโดยขันน้ำํำ<อ>ทีนี้น้ําเนี่ยบางทีมันบ่ามาใช่ไหมฮะก็มือขวางไวเ้เพื่อเพื่อนให้น้ํามันไม่บ่านะครับขันมันใหญ่เนี่ยใช่มไหมมือก็ขวางไว้ทีนี้คนรุ่นหลังเนี่ยมายเห็นก็นึกว่าจะต้องอามือรองอเวลานี้ไม่ใช่มือรองเฉยๆต้องทีมอรองเต็มเลยล้างมือกรวดน้ำํำ<อ>แล้วที่ที่ยุ่งก็คือจับต่อแ๋อ ไม่รู้เอามาจากไหนครับที่อาจารย์ครับไม่ร่้เอามาจากไหนมันไม่ใช่นอกเรื่องคือกรวดน้ําเนี่ยที่จริงมันไม่จําเป็นจะต้องใช้น้ําหลอกครับนะเราอาธิษฐานใจด้วยผลของบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้ทํานี้จนถึงแก่ญาติพี่น้องของข้าพเจ้าและขอญ า, าติพี่น้องทั้งหลายนั้นมีความสุข<อ>แล้วขอให้เจ้าทั้งหลายมีความสุขอันนี่ก็ ก, ก็ข้อความมันก็เป็นอย่างเงี้นะแกะมีมีแค่สองบรรทัดนั่นเอง ทีนี้พระเองก็ไม่เคยกล้าเตือนต่อ oh. เพราะว่ามันเป็นเรื่องส่วนใหญ่ในบ้านนะฮะการกวดน้ําส่วนใหญ่มักกวดในบ้าน ค, คนที่กวดกวดทีวด่วัดเราก็กวดเป็นอยู่แล้วนะแต่ว่าทีนี้ไอ้กวดที่บ้านเนี่ยเราก็ไม่คุ้นกับเจ้าเจ้าของบ้านเขาอะเราไม่กล้าบอกครับและไอ้นี่ก็ปล่อยไว้ปิดอย่างเงี้ยทีจริงก็ถามออกทางวิทยุอย่างนี้ก็ดีนะฮะบอกไปก็เพื่อจะได้ เกิดความเข้าใจว่าไม่จําเป็นอะไรเทน้ําลงไปเลยเวลานี้เขามีที่เทแล้วนะครับที่กรวดน้ําแล้วก็เทก็เทเอามือน้ําสกปกไปคือเราตั้งใจว่าให้น้ําเนี่ยมันมันมันคล้ายๆกับน้ํามันไหลแล้วก็ซึมซับไปนะบอกให้บุญกุศลมันก็ไหลแบบน้ําอ่ะเทียบเทียบเคียงเฉยๆไม่ได้ประเด็นอะไรหรอกเป็นเรื่องของความระล้ําไปกรวดน้ําครับผมด้านเจ้าจ่าจา์ครับสายที่หกครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับผม รบกวนผู้ดังดังนิดหนึงนะครับจะได้ได้ยินทั่วกันนะครับค่ะแ่ะถามว่าถ้าเวลาคนเรานั่งสมาธิค่ะทําไมมันต้องคันอะไรแบบเนี้ยอ๋อมีความรู้สึกคันที่มาที่ร่างกายใช่ไหมครับค่ะอ๋อครับผมเออท่านทุกครับเราฟังอยู่ที่ไหนครับนครจังหวัดอะไรนะครับนครสวรรค์นครสวรรค์แหละครับครับผมแล้วนั่งสมาธิประจําเหรอครับ ไปงเรียนนะคะก็นั่งทุกวันในห้องจารย์อ๋อหละครับอายุเท่าไหร่แล้วคะหนูคะสิบสองค่ะบ ข, ขออนุมโมทนารั้ฟังแคนจะคุณตอบทางวิทยุนะค ะ, ะค่ะแต่รายการรุ่นเยาวครับเก่งนี่เก่งเนี่ยคือคือการที่คันเนี่ยมันเป็นลักษณะของนิมิตในสมาธิอย่างหนึ่งนะครับ เป็นเป็นปีติอย่างอ่อนอ่อนอ่ะมันคันบันที่ยุบยิบบางทีบังทีมางขลบุบบับบุบบับบับนะมันก็แล้วแต่ครับบางทีรู้สึกตัวพองตัวฟูตัวลอยรู้สึกศินแสงอะไรแต่ละก็แล้วแต่มันชักมานะฮะคือมันนึกถึงว่าเรานั่งรถไปริมถนนน่ะเราเห็นอะไรเปลี่ยนไปเรื่อยแหละแต่มันไม่ใช่จุดหมายที่เราไปครับเพียงแต่ว่าเราเดินมันถูกทางแต่นั่นเอง ก็อย่าวปติดใจมันพวกพูดนี้มันเกิดมันก็ปอบปอบมันเกิดไปเราก็สนใจกรรมฐานข้อไหนเราก็ว่าไปแต่ว่าการการการในหนูมีอาการอย่างนี้มันก็แสดงถึงว่าเราเดินมาถูกทางครับททักท้งยุบยุบยุบยุบนี่ยมันมันเป็นอาการของปิติตปิติอ่อนอ่อนนะครับปิติอ่อนออนครับ ครับขอบคุณท่านที่คอยจัดการครับ022413315สอบถามปัญหาธรรมะเข้ามาได้นะครับแฟนราการฝากโทรศัพท์ถามมานะครับท่านคอยจครับถามว่าการทําบุญกับฤาษีนะครับเห็นหนังสือพิมพ์ลงรูปฤาษีเดินทําบุญอย่างเงี้ยกับทําบุญกับพระอย่างเงี้ยถามว่าเฮ้ะทําไมเราต้องไปทําบุญกับฤาษีด้วยแล้วฤาษีจะได้บุญอย่างเงี้ยแหละหรือปาดเที่ยวกับพระสงฆ์อะไรอย่างเงี้ยนะคือฤาษีเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะรักษาศีลแปดเหมือนกับทาบุญกับอุบาสกทั้งหลายนั่นแหละอ๋อ นะก็ก็ที่จริงก็ทําบุญก็ได้บุญด้วยกันทั้งนั้นแต่ถ้าจะเอารายละเอียดมาเทียบเคียงกันเนี่ยนะะครับคื อ, ค, อคือพระพุทธเจ้าทรงแสดงเขรีทักกินาวิพังครับทักกีด่างวิสุทธิประการครับหมายความว่าคนผู้ให้ก็ไม่อยู่ในศีลในธรรมคนรับก็ไม่อยู่ในศีลในธรรมไอ้นี่ทานมันผลน้อยครับหรือว่าผู้ให้เนี่ยอยู่ในศีลในธรรมแต่ผู้รับไม่อยู่ในศีลในธรรมผลก็ได้สักครึ่งหนึ่งครับ หรือว่าอผู้ผู้รับอยู่ในศีลในธรรมแต่ผู้ให้ไม่มีศีลมีธรรมมันก็ได้ครึ่งหนึ่งแต่ถ้าทั้งสองฝ่ายเนี่ยอยู่ด้วยกันทั้งผู้ให้กับผู้รับก็จะมีผลบุญมากเหมือนกับพืชชนิดดีปลูกในดินชนิดดีอ่ะครับต่้งครับผลมากครับผมคือคือตาเทียดอย่างนั้นมันมันก็อยู่ที่จิตเลื่อมใสครับตั้งครับแต่มาว่าที่ไปหาฤาษีนี่ไม่ใช่จิตเลื่อมใสหรอกตกเบ็ด ตกเบ็ดฮะคือกีอ่ต้องการถูกขวยครับแบบความคิดแบบตกเบ็ดเอยังยงเยอะในสังคมเราเนี่ยคือทำทาบุญอะไรแล้วก็นั่งอธิษฐานนะอย่างวันก่อนสลากินแบ่งออกเนี่ยถ้าเราสังเกตชาวบ้านตักบาทเนี่ยจะอธิษฐานจนพระสะดุ้งแหละ แกไม่รู้แกต้องการอะไรแล้วก็ก็เป็นเรื่องเป็นเรื่องของความเยาวอะฮะยังยาวอยู่แล้วเขาก็โลภอยู่เราก็มองเขาด้วยความเห็นใจรอวุฒิภาวะเขาต่อไปเขาก็เลิกเองอะครับผมขอบคุณชี่ดจากครับสายต่อไปครับสายที่หกครับผมสวัสดีครับ ใช่ครับรับผมแต่รบกวนผู้ดำนดังนิดหนึ่งนะครับพอดีสายค่อยมากเลยครับจะถามถามนะว่าในการแผ่จุศจุศกุศลนี่นะครับผมเออถ้าเกิดเราไม่ได้เอาอมถาถวายพระหรือไปทำบุญที่วัดเลยนะแต่เราสวดมนต์ที่บ้านแล้วก็ทำสมาธิแล้วก็ภาวนาเสร็จแล้วก็รับจุศกุศล น, นี่นจะมีผลเหมือนกันนะอ๋อครับผมบที่บ้านนะครับครับผมครับขอบคุณมากครับคือบุญกุศลเนี่ยมัน <c oughs> คำว่าบุญเนี่ย คือสิ่งที่ชำระล้างความชั่วออกไปจา ก, กจิตเราครับหมายความมันชำระล้างกิเลสอ่ะให้มันลดความเข้มข้นลงไปเฝันทําอะไรก็ได้แล้วว่าดันรามความเป็นจริงแล้วก็ดีกว่าทานโดยซ้ําไปนะถ้าคุณรักษาศีนั่งสมาธิเนะี่ยแล้วทิพย์กุศลเนี่ยมันก็สําเร็จประโยชน์อยู่แล้วครับอแล้วก็พูดถึงบุญมันก็มากกว่าทาน มันไม่จําเป็นนะฮะคือคือเราต้องนึกนะว่าโลกมันมีคนทําความดีมาเป็นกับเป็นการแล้วครับศาสนามันก็เพิ่งเกิดมาไม่กี่ปีนี่เองศาสนาก็ยังเกิดมาทั้งหมดที่เหลืออยู่เเนี่ยประมาณร้อยสามพันปีมัง้งครับคนรุ่นก่อนก็ไปมรรคผลนิพพานกา ร, รก็ขึ้นสวรรค์เป็นพรหมการก็แสดงว่าการทําบุญมไม่จําเป็นจะต้องให้ทางกับพระครับ ทีนี้บางทีพระท่านก็นสอนเพลินไปให้ทานในตัวเองเรื่อยเลยนะคือให้ทานแก่ใครก็ได้คําว่าสังโฆแปลว่าหมู่ครับหมู่อะไรก็ได้ให้แกหมู่นิธิคนอยากจนแอะไรต่างๆได้ทั้งนั้นแหละแต่ทีนี้ถ้าเอาไปเทียบเรีนยนที่วะเนี่ยมันก็อยู่ที่ศีลมีเป็นอยู่ในศีลในธรรมหรือไม่ครับอันนี้อันนี้เทียบครับถ้าพูดอย่างนั้นเราก็พูดอีกระดับหนึ่งครับแต่เราพูดถึงว่าเป็นบุญไหมมันก็เป็นบุญนะ่ะ <c oughs> พระพุทธเจ้าเรียงไว้ในทักกินายฝังสุตรถึงสิบสี่ระดับอ๋อครับครับสิบสี่ระดับแม้แต่ว่าให้กัตสัตว์รนสารสัตว์มันอยู่ในแอ่งน้ำเล็กๆเราสงสารมันจะตายเราตักน้ำไปใส่ลงมันก็เป็นบุญนะโอ้นี่ยานแล้วนะคือคือบุญเนี่ยมันมันมันทำได้ตลอดอ่ะครับผมครับขอบคุณครับต้อคุยจครับสายที่เจ็ดครับสวัสดีครับ ยักษ <that> ์กระถานถ้ก okay. คุณเกี่ยวกับการสวดธรรยักษ์ครับทำไมจึงต้องสวดด้วยครับ่ครับรบขอบคุณมากครับคือพันยักษ์นี่ที่จริงมันเมื่อสมัยก่อนเนี่ยโรคหาลงนะท่านตอนหาลงเนี่ยคือในอาตาณาติยสูตรเนี่ยมันไปสืบเนื่องกับเท้าจตุมาราทั้งสี่ได้มากล้ยๆกับประพันธ์เป็นบทสวดถวายพระพุทธเจ้าไว้เพื่อให้ พระสูงเนี่ยสาธยายเพื่อป้องกันในพวกเนี้ยอัตมนุษย์ทั้งหลายแล้วกลัวเดโดยเฉพาะยิ่งบริวารท่านทาน่ทานคุมไม่ได้<อ>เลยก็มาให้คาถาพระไว้ทีนี้เราก็เอามาใช้พวกเนี้ยเอามารวบรวมใช้ไว้ในกรณีที่เกิดภัยธรรมชาติภัยจากโรคระบาดต่างเมื่อก่อนเขาเรียกว่าอะรการละโรคอะไรพวกเนี้ยนะเด็กเราก็ทำพิธี ทีนี้มาคราวหนึ่งหลายปีมาแล้วเนี่ยมันที่จริงทิ้งไม่นานแล้วครับก็คราวหนึ่งมันเกิดปัญหาขึ้นมาแล้วก็พระครูประกาศสมาธิคุณวัดวัดมหาธาตุเนี่ยท่านก็ไปรื้อฟื้นขึ้นมาสวดสี่มุมเมืองของสีมุมของท้องสนามหลวงโอตอนนั้นมาก็เข้ากรุงเทพแล้วครับก็คนก็เกิดนิยมฮะครับเกิดนิยมแล้วอย่าลืมอันี่มันเป็นเขาเรียกว่า ผัสสะเวทนาตันหาวปาทานแล้วก็พบเลย ค, คื อ, ค อ, คอมันมั น, ม, นมันจีบป็นเดินหมายความท่านรับรู้มาว่าถ้าได้ควังเข้าร่วมพิธีในการสวดพันยักพันต้นอะไรแตแ่างๆนี่นะฮมันจะกลายเป็นหมดสนิทจังเลยอภิโมกข์คนทั้งหลายท่านสัมผัสมาอย่างนั้นอแล้วท่านก็ยึดว่าเราได้ทําอย่างนี้แล้วก็ทุกภัยเราหายมันก็เป็นระดับฝันกำบางใจ นะถ้าอาจารย์ไปลองสังเกตว่าพวกที่เข้าไปอยู่ในเต้นกันอุตลุดยังไงสารากันเต้นุุคร <l> ับอันนี้ก็ก็ก็เ ป, เป็นเรื่องสําหรับคนกลุ่มหนึ่งนะเราต้องมองเขาด้วยความเข้าใจเห็นใจรอคอยวุฒิภาะวะของเขาแล้วก็เขาก็ดีกว่าเขาเขาเขาไปเล่นหวยนะฮะดีกว่าเขาไปเล่นการพ น, นัดีกว่าเขาไปดื่มเหล้าเขาทําความดีนะฮะเขารับศีลเขาไหว้พระสวดมนต์เขไปทําอะไรต่างๆเนะยครับ แต่ว่าเรื่องๆเหล่านี้อย่างว่าแหละต้นไม้มันก็ต้องมีเปลือกอ่ะครับผมแต่มันมีเปลือกก็มีแต่ต้นไม้ตายแต่นั่นเองศาสนามงค์ก็เป็นอย่างนั้นแหะมันมีเปลือกอย่างเงี้ยครับผมขอบคุณท่านที่ควจัดมาครับสายที่แปดครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมครับสอบถามได้เลยครับครับผมขอริษฐานสองข้อครับครับผมข้อที่หนึ่งคือคุณพ่อผมชื่อชื่อแกล่ะครับ ตอนนี้ครบรอบสี่ฤษครบรอบสี่ครับจ ะ, จะทําบุญเนี่ยทาเพื่ออะไรครับข้อที่ห น, นะครับครับ<ะ>แล้วก็ข้อที่สองครับผมเป็นลูกของคุณพ่อครับเนี่ยตอนนี้ผมอายุสี่สิบเจ็ดผมก็เป็นคนคนทำบุญสุนทานนะครับด้วยทําบ<ะ>ุญรู้สึกว่า ชีวิตขผมมันไม่ค่อยขับรือเหตุในกันเป็นพออะไรครับข้อที่สองครับครับผมขอฟังทงั้งทุดเที่ยนะครับครับครับครับครรอบหนึ่งปีของคุณพ่อทำบุญจะให้คุณพรรร่อที่ทำบุญเพออะ <Lic nya. S 2> อันนี้มันเป็นเป็นผู้เจ้าทรงสแสดงไว้ในทีศหกข้อที่ห้าเลยนะฮะเมื่อพ่อแม่ตายไปแล้วลูกก็ต้องทําบุญในทิศกุศลส่งไปให้เขาเรียกว่าเป็นปุพะเตเปตะพลี เป็นพรีกรรมห้าในพิีกรรมทั้งหลายที่มนุษย์ทุกคนในทุกศาสนาต้องทําครับต่อผู้ที่วัยชนไปแล้วถวนจะทำวิธีใดก็มีเรื่องหนึ่งนะฮะแต่มุ่งให้เกิดความสุขความเจริญแก่ผู้ที่วัยชนครับแล้วท่านทราบท่านก็โมทนาท่านก็ได้บุญเราก็ได้บุญ น, นะฮะเราก็ได้บุญแต่ทีนี้ประการต่อไปก็คือเรื่องเรื่องชีวิตความเจริญก้าวหน้าเนี่ยเราต้องมองว่า ไอ้สิ่งที่เราทํานั้นเขาเรียกว่าทําดีให้ถูกที่ครับทําดีให้ถุกคนคทําดีให้ถูกดีทําดีให้ถูกการทําดีให้พอดีครับมันต้องวิเคราะห์ตรงนี้ด้วยมันไม่ใช่ว่าถ้าเออถ้าเราตักบาตรแล้วออสัปดาห์หนึ่งตักบาตรแล้เราทําดีแล้วแต่ว่าเวลาอื่นเรายังตกเป็นธาตุของกิเลสอยู่นะเพราะงั้นพวกนั้นมันมีกำลังมากกว่ามึงให้ผลออกมากกว่าครัืออย่างห น, นึ่งกรรมเรานี่มันสลับซับซ้อน กรรมนะเราสลับซับซ้อนเราก็สวยพุกรรมในอดีตชาติที่ไกลๆก็ได้อดีตชาติก่อนก็ได้ในอดีต ก, การก่อนก่อนก็ได้ครับแต่ว่ามันที่เราไม่ดีก็คือผลของกุศลกรรมรก็แสดงว่ากุศลกรรมอย่างไม่มีพลังพอที่จะแทรกมาให้ผลเพราะเราก็ทั้งทาความก็จะในกระบวนการของกรรมเขาว่า อยากเต้ไปใช่ไหมก็ต้องพยายามทําความเข้าใจในกระบวนการตรงนี้คร<ช>ับและอย่าไปคิดนะฮะว่าทำความดีแล้วเนี่ยเราจะสบาย<ช>ครับเพราะว่าชีวิตมันไปผูกพันอยู่กับกรรม<ช>หลายกรรมนะอย่างน้อยก็สามกรรมแหล ะ, ะอดีตการไกลอดีตใกล้กลในชาติก่อนแล้วก็ชาติปัจจุบันแต<ช>่แล้วความคิดของเราในแต่ละขณะต่ออารมณ์ที่เราสัมผัสกต่ไม่ที่เราคิดตัวเองนะฮะ เราคิดเองที่เราเป็นทุกข์บางทีคนสุนัขควัดกันเราก็ยังนอนไม่หลับเลยหาเรื่อง <laughs> ให้เองเดืร้อนคือคือบางทีมันไม่มันไม่จริงหรอกครับมันไม่ได้ทุกข์จริงแต่เราคิดว่ามันเป็นทุกข์เพราะนั้นต้องพยายามอย่าปรุงให้มากครับมันมันกลายเป็นตันหาเป็นอุปาทานและเป็นภพนะพอพอเป็นอย่างงี้มันก็มีปัญหาแหละครับ รู้สึกว่าทําไมเราทุกจริงทําไมเราเดือดร้อนจริงทําไมเราไม่สบายแล้วคนอื่น่ะเราไม่ดูะคิดมากคนที่นอนอยู่ริมถนนแล้วว่าไงครับกขอบคุณจี่กุญแจับสายที่เก้าครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสอบถารปัญหาครับครับเชื่อเลยครับครับเออถ้าคนที่ศาสนาอื่นนะครับครับทำไมทราบว่าเออเห็นบอมีเป็นเรืง แต่เราต้องตรใหม่นะครับอ้ีคนทักท์นนะอื่นเนี่ยเกิด้ะัคุณอะไรนะครับเจริครับผม้าเราฟังจากไี่ยอนะครับเอ่อครับแล้วมีอีกไม่มั้งครับครับเจริครับเออผมไปที่บ้านมานะครับเห็นเอ่อเมย์ใส่ชีนะเขาเรียกนันนะนะฮะนันคาับนันแต่งชุดเหมือนพระนะเป็นเจ้เป็นผุ้หญิงนะครับเจ้าปองที่เมยใสไม่เห็นมีเลย ครับฟังจาวิทยุนะครับสองข้อนะครั บ, ค ร, บครับขอบคุณมากครับเรื่องศาสนากนนนเน ก, ากิดการแ็คือคืออย่างที่บอกไวต้ตะกี้นะฮะ<ช>ว่ า, าศาสนามันเกิดทีหลังมนุษย์ครับมนุษย์เนี่ยมันมีความดีความชั่วโดยความคิดของเขาเองเนี่ยมันเยอะเพราะว่าจริงๆแล้วธรรมะพระเจ้าทรงแสดงที่ตัวคนแต่ละคนนั่นเองไม่ได้แสดงที่ไหนหรอกอ วันการทำดีทําชั่วมันก็เป็นสากลรเช่นสมมุติเราช่วยคนเนี่ยเป็นความดีสากลเราฆ่าคนเนี่ยเป็นความช่วยสากลไม่เกี่ยวรกับศาสนาเพราะฉะนั้นทำดีได้ดีทําช่วได้ช่วยมันเป็นสูตรแต่สูตรใครจะเชื่อยังไงมันอีกเรื่องของเขาคมันคือคือทําดีได้ดีเดียมันเป็นกฎเป็นกฎคล้ายๆกับปลูกมะพร้าวผลต้องออกมาเป็นมะพร้าวมันเป็นกฎแต่เราจะปลูกรึไม่ปลูก ไม่ก็อยู่ที่เราอยู่ที่เราคือว่าการกระทํามันเป็นกรรมรแต่ว่ากฎมันเป็นนันมากเนี่ยเช่นว่าอบายามุกเป็นทางเสื่อมนี่คือกฎถ้าคุณงดเว้นคุณก็ไม่เสื่อมเจ้ไหมเราไม่ทํากรรมร ก, ก, ก็ก็ไม่เสื่อมเพราได้จับหลักกฎกับกรรมให้ได้แล้วกฎตรงนี้มันเป็นกฎสากลมันไม่ใช่กฎเฉพาะพระพุทธศาสนาทีนี้ถ้าเราดูคําสอนว่า อิสลามมีไหมคริสต์มีไหมพราหม่มีไหมซิกินดูมีไหมมันก็มีครั บ, รบการฆ่าชีวิตการลักทรัพย์การพฤผิดผิดในการการพู้เท็จเนี่ยการไปท่าสิ่งเสียดติดอบายามุกมีทั้งนั้นแหละครับองนั้นแต่ว่าภาษาที่เรียกมันต่างกาันนะฮะแล้วอย่าลืมมาตายแล้วมันไม่มีศาสนาได้ศาสนาหนึ่งแล้วมันเป็ น, เ ป, นเป็นชีวิตอีกมิติหนึ่ง คกัขบข้อที่สองคำ ว, ว่านันหรือชีเข้ารักษาศินสิ น, ส, นสินสิบสินสิทธิพมา่าเนี่ยรครับท่านครับคือสีเนี่ยมันไม่ใช่สีของพระหลอกอเราเป็นสีของไม่ชีมันคอดไปทางชุมพูอทีนี้ของเราเวลาเนี้ยมันก็เริ่มมีนะเมื่อมีจากพมา่าแล้วก็เริ่มมีสีที่คอดมาทางทางเป็นพระครับทีนี้ก็ วินัยเนี่ยเขาเขาเขาไม่ได้คือเราไปเอื้อมอะไรเขาไม่ถึงอ่ะครับมันเป็นสิทธิที่เขาจะใช้สีอะไรก็ได้ครับเพราะว่าเราเราไม่ได้จดลิขสิทธิ์ห้ามไว้แล้วก็เราก็ไม่มีสิทธิ์ห้ามด้วยใช่ไหมสีเหลือไม่า็ลิขสิทธิ์ได้ต่อครับคือคือเป็นเป็นเป็นสิทธิที่เขาทำได้โดยทรรมชาติ แต่คนละอย่างกับพิษุณีใช่ไมครับท่านอาจารย์มันก็คนละอย่างรักษาศีลสิบรักษาศีลเท่ากับสามเณรครับท่ครับแต่ส่วนหนึ่งก็รักษาศีลแปดครับท่าครับแต่แต่ว่ามันก็ดูอะที่จริงถ้าเขาเรียกบาลีเขาเรียกท่าศีลตัจะมีที่ลังกาที่พม่าเนี่ยก็มีครับของเราเวนี้ก็เริ่มมีนะฮะครับเริ่มมีก็ไปบวชมาจากพม่าบ้างไต้หวันบ้างครับนะก็ลังกาบ้างแล้วแต่เขาไะเราก็ไม่ได้ว่าอะไรครับ ข อ, อขอบคุณค่ะคุณจ่ายคับสาที่ศิครับสวัสดีครับขอสวัสดีครับคือว่าจะมาถามปัญหาสองข้อนะครับครับใช่เลยครับคือว่าอย่างกรณีที่คนที่จะตายนะหรือว่าก่อนจะตายจิตกระดับเนี่ยครับครับคือว่าเมื่อจิตคิดถึ้แต่กุศลในส่วนที่ดีเนี่ยแล้วก็เกิดในสุขติแล้วแล้วนี้คือว่าอยากจะจทราบว่าละในส่วนที่ทำกุทำอกุศลแล้วในส่วนที่ดีเดียจะพอไหมครับ สวยคุณกรรมด้วยหรือเปล่าครับครับผมข้อที่สองเลยครับข้อที่สองคือว่ากรณีที่พระไปเข้าปริวาสกรรมเพื่อทำควาบริสุธิ์ออกจากสังฆาทิเศตนะครับออกจา ก, กบาปสังฆาทิเศนะครับครับผมและทีนี้ ออเอาานอะไรก้อย100อย่างป o s i t i v i t y อย่างทุกกฎถุนละใจอะไรตรงนี้จะพอยบริสุทธิ์ไปด้วยหรือเปล่าครับครับผมขอฝากพิธีรุษนะครับ <c oughs> ครับขอบพระคุณครับ <c oughs> จิตก่อตายก็ตั้งครับอ๋อคือคือนั้นมันมันโยมโ ย, ยมตอนนึกอย่างนี้ดูง่ายๆนะครับดูง่ายๆว่าเหมือนกับเราเรียนหนังสือแล้วเราสอบมีตัวช้อยสี่ตัวครับตัวใดที่เรารู้เราก็ตอบได้ตัวใดที่ไม่รู้เราก็ตอบไม่ได้ ปัญหาว่ารู้มากกว่าหรือว่าไม่รู้มากกว่าอมันก็เกลียดมันก็ตัด ก, กันอย่างนั้นแหละครับทีนี้คนเราที่จริงเกิดการการกา ร, การตายเนี่ยนะตลอดทั้งการมารมาลุมรรคผลนี่ผ่านหรือประตดัดตลอดทั้งการทําอะไรก็ตามมันเป็นขณาดจิตครับ ช, รชนกันเนี่ยมันเป็นขนาดจิตเดียวเองเดียวกระไปเดียวกระไปเลยนะนครับก็เครึ่งบินตกก็เหมือนกันนะฮะมันมันระยะมันนิดเดียวเองอ่ทีนี้ ปัญหาเรื่องบาปเนี่ยมันปันกว่ามันมีประมังแรงไ้ยแต่ที่เขาเกิดดีเนี่ยคือต้องต้องตอนนี้ก็ได้จับหลักให้ได้ว่าการที่นายกอทาความดีเราเห็นในปัจจุบันนายกอตายไปเกิดในนรกครับมันก็อาจจะได้เพราะว่าแกมีอดีตกรรมที่เป็นบาปในชาติบนก่อนในชาติก่อนในในขณะจะดับจิตนี่จิตมันเป็นขุนมัวเศ้าหมองแกก็ตกนรกได้ครับแต่ทีนี้ กรรมที่เป็นเหตุให้ตกนรกมันไม่แรงรแล้วถ้า บ, บุญที่เป็นกุศลมันก็จะตามไปตัดรหรือไปเบียนให้มันผลน้อยลงนะเพราะนั้นมันมั น, ม, นมันความเปลี่ยนแปลงในชีวิตของคนตั้งแต่เกิดเนี่ยเราจะเห็นว่ามันมันมีการเปลี่ยนแปลงเพราะเรามีเบื้องหลังของเราครับตที่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงจากจากลูกคนคนโง่เป็นนักปราชญ์อะไรต่างๆนี่ทีนี้ อ, อ ถ้าเขาทำความชั่วเนี่ยเขาก็อาจจะบังเกิดสวรรค์ก็ได้อแต่การเกิดในสวรรค์นั้นเพราะผลของความชั่วในอดีตหรือก่อนจะดับจิตออดีตก็อดีตชาติก่อนๆหรืออดีตอดีตชาติก่อนหรืออดีตปีก่อนปีก่อนก่อนเดือนก่อนก็นกว่าไปเรื่อยๆคือมันมันพวกนี้มันเป็นขณะขณะขณะก็คือเอาก็จริงอย่างที่เนี่ยเทียบเทียบข้อสอบเนี่ยฮะเทียบข้อสอบเราสะสมอยู่ทุกขณะที่เราอ่านหนังสือครับ ทีนี้ปัญหาว่ามันมีพลังพอที่จะวินิจฉัยข้อ่อได้หรือเปล่าเนั่นเองนะครับข้อที่สองออกปริว า, กาวตกรรมน ะ, นะ ค, คือปฏิทีนะฮะคือคือปฏิทีทุกกฎมันก็แสดงนะฮะพ้นในกันแสดงไปอ๋อครับอันนั้นก็เอาเฉพาะสังขาธิเสดครับนะบอาเฉพาะสังขาริีเสดเมื่อถูกต้องดำเงื่อนไขที่พระวินัยกําหนดท่านก็บริสุทธิ์ตามพระวินัยครับฝนว่า สังฆาธิเศษมันไม่มีลักษณะของอาตยากรรมครับผมนะเว้นไว้แต่ในกรณีที่ท่านดื้่ท่า น, ท, า น, ท, านท่านหัวแข็งว่ายากสอนยากมีอยู่สองข้อนะเต่วต้องเรียกหมากรมด้วยก่อนครับถ้างั้นมันมันพอท่านอยู่กรรมก็ถือว่าจบกันครับเขาเรียกว่าเป็นปัญนนติวัชชะ<อ>มีโทษตามบทบัญญัติของพระวินยัยครับ มันไม่เหมือนกับปลาราชิกปลาไหชิกมันเป็นบาาก์สากลเป็นบาก์สากลก็ต่างกันคขอบคุณครับที่ร่วมจครับสายที่สิบเอ็ดครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะจะจะถามคําถามสักข้อนึงค่ะครับเชิญเลยครับคือว่ามีเอพระพุทธรูปเป็น เออหลวงพ่อยโสธรนะคะพ่อโสธรทีนี้เราจะบูชาแบบไหนถึงจะถูกต้องคะเรามายืนบูชาตอนตอนที่ที่ที่ที่บ้านใช่ไหมครับจะทํายังไงถึงจะถูกต้องค่ะจ้ะบ้านจ้ะที่คนยืนที่บ้านเนี่ยกระดาษครับแล้วฟังทางวิทยุนะครับค่ะครับขอบพระคุณจ้ะคือคือโยนต้องจับประเด็นได้นะฮะพระพุทธรูปคือพระพุทธรูปท่านนั่นเองครับ พุทธรูปก็คือรูปเปรียบของพระพุทธเจ้าไม่ได้มีหลวงพ่อโสธรหลวงพ่ อ, อไร่ขิงหลวงพ่อชินนาราชไม่มีฮ ะ, ะอันนี้เราตั้งกันเองฮะเราตั้งกันเอง<ร>แล้ววิธีเช่นว่าบูชาพระแก้วจะต้องไข่ต้มอะไรอะไรคือมันคิดกันเองอ่ะมันไม่ว่งมีหลักอะไรหรอกร บ, บูชาที่ถูกต้องคือทำด้วยจิตที่เรื่มใสยบูชาโยมมีอะไรก็บูชาไปเถอะมีดอกไม้มีธูปเทียนหรือแม้แต่ว่ายกพนมมือเฉย นะกราบไหว้พระสูตรมนต์เท่าที่เราทำได้ก็ทำไปเถอะมันไม่มีวิธีหรอกรไม่มีวิธีเฉพาะเรื่องนั้นๆ น, น, นอกจากว่าไอ้พวก <c oughs> ก็เรียกอะไรลูกช้าง <c oughs> ลูกช้างแอบหากินกับหลวงพ่ออย่นะางเนี้ยอยาบอกว่าหลวงพ่อชอบ ชอบไม่มีละเมึงก็คอนะเออพระอะไรอยากดูหนังมันผิดวินัยอ่ะคนคือคือคือสาวผู้เราไม่เคยคิดอ่ะไม่คิดอะไรมันมันมันจะมีเหตุผลอะไรนี่เป็นตัวแทนพระพุทธเจ้านะท่านจะอยากได้ไงพระพุทต้องอยู่พระทาทธอะไรเนี่ยครับคือคือเป็นความเชื่อซึ่งเราไม่เคยใช้เหตุผลในสิ่งที่เราเชื่อครับคือต้องต้องต้องใช้เหตุผลด้วยนะครับ เพรางงั้นต้องบูชาในสิ่งนั้นสิ่งนี้สิ่งนู้นไม่มีฮะครับก็บูชาด้วยอะไรก็ได้และที่บู้าสันสญจึงคือบูชาโดยการปฏิบัติตามครับปฏิบัติธรรมเนี่ยบูชาตลอดครับขอบคุณท่นจัมาครับสายที่สิบสองครับสวัสดีครับครับครับสวัสดีครับผมผมจะขอกลับเรียนท่านเจ้คุณนะฮะเกี่ยวกับเรื่องความหมายและชื่อของอ่าอชื่อของพระสังฆราชลิพนามพระสังฆราชชื่อเตมเต็มที่ว่า อ่าสมเด็จพระสังฆราชแต่สกุลมหาสังฆปรินายกนะครับสําหรับคําว่าสังฆราชเราคงคงพอจะเข้าใจอ่าราคาแห่งถังขาราคาแห่งส่งหรอความมุ่ส่งอะไรนั่นนะฮะแต่ว่าคําว่าสกุลมหาสังฆปรินายกกนเนี่ยอันนี้ไม่รวบแปลว่าอะไรแล้วแทำไมเขาต้องมีชื่อใช้เต็มแล้วฟังท่านที่คุอาจารย์นะครับขอบพระคุณครับ คือคือตำแหน่งสมเด็จพระสังฆราชเนี่ยแต่ก่อนสมัยโบราณเนี่ยมันเราไม่เรียกขนาดนี้หรอกนะครับเพราะว่ามันมีคณะอรัญวาสีมีขามวาสีก็แบ่งแยกกันปกครองแต่ว่าในสมัยสมเด็จพระมาสนาเจา้าปรุมยาวิชญารโรสเนี่ย คือคณะสงฆ์เมื่อก่อนเนี่ยมาอยู่ในการปกครองของสังกัารีกรมสังกัารีหรือผู้กระทรวงธรรมการเนี่ยก็ทรงธรรมการทีนี้นนนะสมเด็จรมนนามนาท่านก็เรียกเอาคณะธรรมยุทธมาก่อนครับแต่ในการต่อมาก็สางฆมณิกายก็มาอยู่ให้สงฆ์ปกครองดีกว่าทีนี้มัน ก, ก็กลายเป็นสกลเพราะฉะนั้นสกลมหาสังฆบายนายกก็คือคือผู้นำพระสงฆ์ทั้งปวง มันจะมีคำอยู่ข้างหลังข้างใต้นะฮะในในใบประกาศขออาราธนาให้ทรงรักภุราพระพุทธศาสนาเป็นภาระสั่งสอนช่วยระงับอธิกรอนุเคราะห์พระภิกษุสามเณรในสังฆมลทนทั่วไป โ, <อ>โดยสมควรแก่พระสิยยศซึ่งได้รับพระราชทานนี้เป็นตำแหน่งพิเศษตำแหน่งเดียวองค์เดียว ทางประเทศเนี่ยมีอยู่องค์เดียวแต่นั้นเองที่ถือว่าเป็นสังคบิดรรคับเป็นพ่อของพระสงฆ์ทั่วประเทศครับแล้วก็เป็นประธานาธิบดีแห่งสงฆ์ในขณะเดียวกันสำหรับชาวพุทธนี่ยเขาเรียกว่าพุทธบริษัทคารวะสถานเป็นสถานะที่เคารพสักการะของพุทธบริษัททั้งหลายชื่อเดี๋มันจะเยอะแต่บอ ก, กบอกเลยนะแต่ว่าเขาเรียกต็มๆในเรียกว่าสมเด็จพระสังฆราชเนี่ย สมเด็จพระญานสังโรนสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังกัญณายกครับอันนี้เป็นสำ ส, ส่วนสังฆราชเนี่ยสมเด็จพระยานสังวบนเนี่ยเป็นสำศักิ์ครับใช่ไหมฮะสมเด็จพระสังฆราชเนี่ยเป็นฐานันดรศัก์ครับแล้วก็สกุลหาสังกัญนายกเนี่ยเป็นอำนาจหน้าชี้ตำแหน่งใช่ไหมครับก็ต้องใส่หมดฮนะครับใส่หมดแต่ที่จริงเวลาถ้าทูลต่อพระพรักเนี่ยเขาไม่ทูลอย่างนั้นเหรอ คนเวลานี้ขนาดผู้ว่ารายการจังหวัดอย่างทูนเป็นเขาไม่เรียกพระนามครับก็จะกราบภูมิป่าพระบาททรงทราบเท่านั้นเองอหมือแค่กราบทูนในหลวงเนะี่ยเขาไม่ได้เรียกเขไม่ได้ออกพระนามครับเวลานี้มันเป็นอะไรเป็ น, ปนระูปแยบงานสารบัญงานรายการเป็นไงเป็นรถจะเรียกชื่อต่อนหน้า <c oughs> พระพักได้ไงครับผู้ใหญ่เรายังไม่กล้าเรียกชื่อเลยครับเขาไม่เรียกปกติเขาไม่เรียกนามอย่างนั้นหรอก ท่คุณอาจารย์ครับเมื่อแฟนการท่านหนึ่งจดหมายมาบอกว่าวันนั้นอ่านในหนังสือพิมไทยรัฐฮะที่ท่านจะคุณอาจารย์ได้ให้สัมภาษณ์ไปเกี่ยวกับเรื่องคล้ายวันประสูติของสมเด็จพระยันต์ทรงบรมราชกุฮะเกี่ยวกับเรื่องพระธรรมที่องค์สมเด็จพระสังฆราชได้ยึดถือปฏิบัติเกีการตั้ยุตตาธรรมอะไรพวกนี้ฮะท่าคุณอาจารย์ คือท่านท่านมีเขาเรียกอัภิจนาใหม่คืออ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่มต<ล>่ความสำนึกกตัญญูต่อบุปก า, ารีตนนูน้นไปหายไปนะ ค, คือต้องพระเป็นสังฆราชเนี่ยทรงสร้างโรงพยาบาลสิบเก้าหลังสิบเก้าหลังเพื่อ อ, อุทิศแด่สมเด็จพระสังฆราชสิบเก้าพระองค์โอ้ข้าพครับคือสำนึกถึงคุณบุปการเขาสมเด็จพระสังฆราชเพราะฉะนั้นความกตัญญูของท่านนี่จะสูงมากครับ แม่ของท่านท่านก็เลี้ยงจนสิ้นไปแล้วก็สงเคราะห์อะไรต่างๆเยอะท่านท่านท่านท่าเยอะแต่แต่มามาตื่นเต้นอย่างหนึ่งคือท่านไม่เคยอ้างเงินจะไม่คนเอามาถบายท่านครับตื่นเต้นตั้งแต่อามาอยู่สมัยนั้นท่านเป็นธรรมราพคนครัาก็ตื่นเต้นครับตอนเช้าจะมีคนมารอทุกวันทุกวันเลยทุกวันนะฮะคนเยอะเลยคเกือบแหลกฮะ ถ้าว่าไปไหนตั้งแต่ท่านเป็นสมเด็จมาไปปากป้ากันมาไปกับสมเด็จสามวงไปพร้อมกันนะฮะไปกุหลาข้าวกันครับสมเด็จเป็นสังราตอนนั้นยังไม่เป็นสังราเละครับเขบวนทั้งตำรวจทหารเรถนำรถตามตำรวจพึ๊บเลยเต็มเลยอีกสององค์ไหมทั้งเรียกรถไปครับเือว่าแปลกแปลกมากครับผม ก็ก็เป็นบุญของท่านนะครับเป็นยาบารมีของท่านสุขภาพของท่านก็ไม่เคยดีนะราะคนตรงไปชวนมานานตั้งแต่สี่สองสองเดือนพฤศจิกาสี่สองครับก็นานครับังครับ ขอบคุณท่านเจ้าอจวาสครับได้แฟนรายการอ่านหนังสือทีมพ์ก็รู้สึกนะครับได้รับความรู้เพิ่มเติมเยอะเลยครับท่านหนังสือพี่พ์มันสาเบอร์ไปหน่อยอะว่ามาเป็นคนสนิทคุ้นเคยเมยไม่ไม่ละพี่จริงเขาเขาถ่ายเอกสารมาให้ส่งมาจากสกลนครมาให้มาเอาไปแจกญาติโยมพอเห็นก็ความนั้นมาเลยไม่เอาเลยแล้วก็ตอบว่าหน้าข่าบว่าทำไมคุณไม่เขียนอย่างงั้นครับใชครับ มาไม่ได้ไม่ได้รับใช้ใกล้ชิดมาอยู่กลุมุมวัดกันนะแต่ว่ามีงานมีการสําคัญอะไรแต่นั้นเองต้องกาเรียกใช่นะครับแต่ข้อคิดข้อทําก็เป็นประโยชน์แก่ประชาชนเยอะนะครับครับก็ข้อสิบสามครับสวัสดีข้าพเจ้าการครับครับผมรบกวนหลีวิทยุนิดนึงนะครับครับผม จะขอถามหลวงพ่อนะครับครับเออแล้วคนผู้ดังๆนิดนึงนะครับพอดีสายค่อยมากเลยครับเออจะขอถามหลวงพ่อนิดหนึ่งพอดีผมนั่งสมาธินะครับก็ไม่ค่อยจะเป็นสมาธิเลยมากมันจะเป็นโลภะโทสะโมหะะมากกว่ากันกันมากบางีมีราคะตอนเข้ามาด้วยใครับผมแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราอยู่ปกติเนี่ยเจริญสติว่าขณะนี้ เราได้ยินแล้วคิดแล้คิดยังไงามัน่ายังไงก็ตามความารู<อ>้สึกของผมนะครับใช่ผมได้ข้อหนึ่งผมอยากจะถามว่าถ้าะที่ มีับมากบบบริจาคที่เป็น8ปดสันล้านเนี่ยฮะไม่ทราบว่าท่านจับเงินโดยทองเงินไปใส่บาทอาบัตอ่าครับครับใส่บาทพระตั้ง 1,500 ้าร้ออเครับขอขอได้ก่อนครับโลวาโกับคือสมาธิเนี่ยมันมันจริงๆมันอยู่ที่การเจริญสตินะฮะมันไม่มีรูปแบบหรอกทีนี้การที่เราไปนั่งเราเกิดตั้งใจเกิดไปตั้งใจเกินไปมันเราก็คาดหวังสูงแมันไม่เป็น แต่ทีนี้ถ้าถ้าถ้าเราทําตามธรรมดาเรามีสติกํากับธรรมดาเมื่อสติมันอยู่นี่นกิเลสไม่แทรกครับรกิเลสไม่แทรกเพราะงั้นอย่าไปติดใจในรูปแบบนะฮะเจริญสติไปอย่างนั้นได้ดีแล้วอนะถ้าวันใดที่จะนั่งสมาธิก็นั่งไปคือเขาไม่ได้เรียนกนั่งสมาธิเขาเรียกเจริญสมาธิครับอยู่ใ น, นบทใดก็ได้ครับทีนี้ส่วนที่ถามก็คงจะเป็นอาจารย์ครูนั่นนะฮะ <laughs> คื อ, ค, อคือเราเราอย่าลืมว่า พวเนี้มันมันอะไรมันพัฒนามาตัววินัยเดิมจริงๆเนี่ยเขามันจัดทองเงินจริงๆครับและเวลาเนี้ยมันมันมากระตีความกันว่าไอเนี้ยมันคือสิ่งที่ใช้แทนทองเงินซึ่งที่จริงก็ยังอยู่ในกรอบตรงนั้นครับทีนี้ท่านท่านก็จับโดยโดยไม่ได้ยึดมั่นถึงมั่นอะไรมาเนะ่ยครับคือคือก็ต้อง ถามว่าอาบัตไหมมันมันก็พูดยากมันอยู่ที่วิธีตีความของท่านครับก็สวัสดท่านเถอะนะสวัสท่านเถอะแล้วก็ที่จริงท่านท่านเป็นปริศนีเฉยๆหน้าจันคูนเนี่ยครับเงินไปผ่านท่านแล้วท่านก็กระจายไปชูช่วยสังคมเยอะมากๆพระองค์เนี้ยหลายพันล้านมาแล้วสีห้าพันล้านแล้วครับช่วยสังคมเยอะมากครับนะครับก็ คสิ่งทั้งหลายเราอยไปยึดมั่นถือมั่นมากถ้ามันเป็นมาก็เรื่องของท่านครนะเป็นหรือไม่เป็นเป็นเรื่องของท่านเราอย่าไปพูดเราพูดเฉพาะความดีของท่านพอละใช่ครับขอบคุณท่านปู้จัการครับสายที่สิบห้าครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับเจ้าสตารทได้เลยครับฮัลโหลครับเจ้าสตาร์ได้เลยครับ ครับอยากสอบถามว่าเรื่องปริวาสมีทําไม่อาบัตตรงนั้นมันมีความเจ็บปวดไหมครับแล้วก็รู้สึกว่าดีนี้จัดกันเยอะมากอยากถามว่ามักหมอกลมมากน้อยเพียงไรครับผมครับขอบคุณมากนะครับเป็นคำถามสุดทายคือมันเป็นวัฒนธรรมอยู่เหมือนเป็นฮีตสิบสองซึ่งเขาได้มาจากลาวว่าแนวปริวาสโดยส่วนใหญ่จะอยู่ทางภาคอีสานนะแตภาคกลางก็ไม่เคยมีหรอกครับ เป็นวิธีการอย่างหนึ่งที่ใช้เป็นเครื่องมือในการกํากับควบคุมความประพฤติของพระเหมือนพระที่เข้าส่วนใหญ่จะไม่ต้องหรอกแต่ว่ามันเป็นวิธีการอย่างหนึ่งที่ว่าในการเข้าปฏิวัติเนี่ยคําสั่งของของอาจารย์กรรมยังไงเนี่ยต้องปฏิวัติเลยสามารถกํากับควบคุมสั่งการได้ลงโทษและยืนตากแดดก็ได้เพราะ ง, งั้นมันมันเป็นวิธีอย่างหนึ่งที่เอาคนมาฝึกอื แล้วเมื่อเขายอมรับเงื่อนไขอย่างนี้ก็เป็นความดีนะะเป็นความดีที่ควรในการมทนาแต่ถ้าต้องอาบัฐจริงๆก็ต้องทำให้ถูกต้องตามเงื่อนไขของพระวินัยนะก็ว่ากันเป็นมันสองกรณีนะที่จริงเวลนี้มันรณรงค์เพื่อปฏิบัติธรรมแต่ใช้กฎของการอยู่กรรมเนี่ยเป็นมาตร มามในการในการกํากับกู้คุมคนซึ่งเข้าร่วมกิจกรรมเอาไปท่าจุติปัญจครับวันนี้ขอกราบขอพระใหลายหลายสายนะครับที่โทรมาไม่เด็ด น, นะครับว่าสายแน่นมากเลยครับวันนี้รายการเสียงธรรมจากมหาวิทยาลัยสิบปทุมขอาการาบราท่านผู้ราาับฟังในการทุกท่านไปก่อนนะครับขอจะรับความขอบคุณจากท่านพลเอกเสรีดรรัชฎีพรผู้กำกับครับและขอากลับขอบคุณพระเดชพระเทพ ร, ร, ร, ริ่กที่เป็นมือคอนตอบปัญหาธรรมะครับวันจันทร์หน้าพบกันใหม่ครับขอกลับสวัสดีครับ